ข้พิจารณาเกี่ยวกับการพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่ปราหลาดหลายท่านเห็นว่าการที่จะให้คนสามัญทั้งหลายเชื่อกฎแห่งกรรมและตั้งอยู่ในศีลธรรมจะต้องให้เขายอมรับการให้ผลของกรรมในช่วงยาวไกลที่สุดคือผลจากชาติก่อนและผลในชาติหน้าและดังนั้นจึงจะต้องพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิด หรื อ, อยยงน้อยแสดงหลักฐานให้เห็นให้ได้โดยเหตุนี้บ้างโดยมุ่งแสวงความรู้บ้างปราชและผู้สนใจบางท่านและบางกลุ่มบางคณะจึงได้พยายามอธิบายหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดโดยอ้างกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เช่น law of conservation of energy โดยขยายออกไปจากเจตนาที่เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของจิตซึ่งเคยเอ่ยถึงแล้ว หรืออ้างทฤษฎีทางจิตวิทยาอย่างอื่นๆบ้างพยายามสอดสืบพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับการระลึกชาติได้บ้างตลอดจนใช้วิธีการแบบทรงเจ้าเข้าผีก็มีในที่นี้ท่านหมายเหตุการอ้างอิงถึงที่มาต่างๆจากเอกสารหลักฐานของต่างชาติไว่มากมายนะครับดูได้จากพุทธธรรมฉบับปรับขยายหน้าส8 เรื่องราวและคำอธิบายเหล่านี้และทำ น, นองนี้จะไม่นำมากล่าวไว้เพราะหนังสือนี้มุ่งแสดงพุทธธรรมตามสายความคิดในพระพุทธศาสนาเองเท่านั้นผู้สนใจเรื่องราวและคำอธิบายเช่นนั้นพึงหาอ่านดูด้วยตนเองตามที่มาที่ได้ให้ไว้เป็นต้นสําหรับในที่นี้จะกล่าวเพียงข้อสังเกตและข้อคิดที่เกี่ยวข้องบางอย่างเท่านั้น คำที่กล่าวว่าถ้าพิสูจน์ให้คนทั่วไปเห็นได้ว่าตายแล้วเกิดชาติหน้ามีจริงกรรมตามไปให้ผลจริงจนคนทั้งหลายยอมเชื่อเช่นนั้นแล้วการสอนศิลธรรมจะได้ผลคนจะกลัวบาปยอมเว้นชั่วและทำดีกันทั่วไปคำกล่าวนี้นับว่ามีเหตุผลอยู่ไม่น้อยเพราะถ้าคนเชื่อเช่นนั้นจริงผลในทางปฏิบัติก็น่าจะเกิดขึ้นเช่นนั้นเป็นอย่างมาก ท่านผู้กล่าวเช่นนี้ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งใจดีและมีเหตุผลเป็นพื้นฐานจึงไม่น่าจะมีข้อขัดข้องที่จะปล่อยให้ท่านเหล่านั้นดำเนินการศึกษาสอบสวนค้นคว้าของท่านไปโดยคนอื่นๆปล่อยยินดีและสนับสนุนเท่าที่อยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลความสมควรไม่เฉยชัคลาดออกไปสู่แนวทางแห่งความงม ง, งายไข้เขวเช่นมิใช่ว่า แทนที่จะนำสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้ออกมาสู่การพิสูจน์ได้กลับนำสิ่งที่พิสูจน์ได้เข้าไปสู่โลกแห่งความลึกลับที่พิสูจน์ไม่ได้หรือแทนที่จะนำสิ่งลึกลับซึ่งคนไร้อำนาจที่จะจัดทําออกมาสู่ภาวะที่มนุษย์จัดการได้กลับทำให้คนหมดอำนาจต้องหันไปพึ่งอาศัยสิ่งลึกลับจนตนเองทาอะไรไม่ได้ ดังนี้เป็นต้นเมื่อสอบสวนค้นคว้ากันอยู่ในขอบเขตแห่งเหตุผลแล้วอย่างน้อยก็อาจได้ประโยชน์ทางวิชาการให้รู้กันไปเสียทีว่ามนุษย์เข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วจะแค่นี้อย่างนี้ทั้งนี้มีข้อควรย้าว่าจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของปราชญ์บางท่านบางคณะนั้นท่านทำของท่านไป คนอื่นๆหรือคนทั่วไปไม่พึงไปคลุกคลุยสารววนด้วยเพียงแต่รอรับทราบผลที่แน่นอนเด็ดขาดแล้วหรือฟังข่าวความเคลื่อนไหวอยู่ห่างๆอย่างคนชอบรู้ชอบฟังเท่านั้นกอจะต้องไม่พาคนทั่วไปเข้าไปหมกมุ่นในกระบวนการระหว่างการพิสูจน์ด้วยนอกจากนี้แม้ตัวนักราัารผู้สอบสวนค้นคว้าเกี่ยวกับชาติก่อนชาติ น, านั้นเอง ก็ไม่ควรหมกมุ่นกับเรื่องเช่นนั้นเกินไปจนมองด้านเดียวเห็นความสำคัญเฉพาะแต่แนวการพิสูจน์โลกหน้าเท่านั้นจนละเลยความสำคัญด้านปัจจุบันกลายเป็นสุดตรงหรือเลยเถิดไปเสียและจะต้องมองให้ครบทั้งด้านผลดีและผลเสียของการให้ความสำคัญแก่เรื่องนั้นด้วยกล่าวคือนอกจากผลดีที่คาดหมายนั้นแล้ว จะต้องตรหนักถึงผลเสียด้วยว่าการย้ำความสำคัญให้คนกลัวการไปเกิดในที่ชั่วและอยากไปเกิดในที่ดีมากเกินไปจะเป็นการชวนให้คนหันไปวุ่นกับการคิดหวังผลในโลกหน้าและเอาใจใส่เฉพาะแต่กิจการและกิจกรรมจึงเนืองด้วยการที่จะไปเก็บเกี่ยวผลในชาติหน้าจนละเลยประโยชน์สุขและความดีงามที่ตนและหมู่ชนควรพยายามเข้าถึงให้ได้ในชีวิตนี้ นอกจากนั้นเมื่อไม่มีสติระมัดระวังให้ดีความมุ่งหมายเดิมที่จะให้คนกลัวผลร้ายของกรรมชั่วสบายใจว่าจะได้พบผลดีของกรรมดีตลอดไปถึงโลกหน้าและมีความมั่นใจในกฎแห่งกรรมพยายามเว้นกรรมชั่วทำกรรมดีในโลกนี้ก็กลับกลายเป็นว่าจะทำการชนิดที่มุ่งเอาผลในชาติหน้าโดยตรงอย่างเดียว ความโลภต่อผลชนิดนั้นแล้วกลายเป็นนักทรรมบุญแบบค้ากาไรไปเสียถ้าการกลายมาเสียอย่างนี้ก็จะเกิดผลเสียขึ้นอีกประการหนึ่งคือการย้ำความสำคัญของผลดีผลร้ายที่จะได้ประสบในชาติหน้ามากเกินไปเป็นการมองข้ามหลักการฝึกอบรมกูสลชันทะหรือธรรมชันทะกลายเป็นการไม่ยอมรับ หรือถึงกับดูหมิ่นมนุษย์ว่าไม่มีความใฝ่ธรรมารักความดีหรือไม่อาจฝึกปรือความใฝ่ธรรมะรักความดีนั้นให้เกิดมีและเจริญเพิ่มพูนได้เป็นเหมือนกับบอกว่ามนุษย์ไม่สามารถเว้นชั่วทำดีด้วยความใฝ่ดีรักความประนีตบริสุทธิ์มนุษย์เว้นชั่วทำดีได้ด้วยความโลภหวังผลตอบแทนแก่ตนเพียงอย่างเดียว แล้วปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจที่จะฝึกอบรมคนในด้านกุศ ล, ลชันธะหรือธรรมชันทะอันหนึ่งถึงแม้จะเป็นการสมเหตุสมผลไม่น้อยที่ว่าถ้าพิสูจนให้เห็นชัดจนคนทั่วไปเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่จริงคนจะยอมอยู่ในศีลธรรมกันเป็นอย่างดีแต่การที่จะรอให้คนมีศีลธรรมกันขึ้นเอง ต่อเมื่อได้เห็นผลสำเร็จของการพิสูจน์นั้นแล้วก็เป็นการไม่สมเหตุสมผลแต่อย่างใดเราไม่อาจทราบได้ว่าคาว่าถ้าในการพิสูจน์นั้นจะกลายเป็นผลสำเร็จแท้จริงได้เมื่อใดคือไม่รู้ว่าเมื่อใดจะพิสูจน์กันเสร็จแต่ถ้าว่ากันตามความจริงแท้อย่างเคร่งครัดแล้วคำว่าพิสูจน์ในความหมายว่า แสดงให้เห็นแจ้งประจักษ์ก็ไม่อาจใช้ได้กับเรื่องนี้เพราะคนอื่นไม่สามารถแสดงการเกิดใหม่ของคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งดูได้การเกิดใหม่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ประจักษ์ด้วยตนเองที่พูดกันว่าพิสูจน์นั้นก็เป็นเพียงขั้นหาหลักฐานพยานมาให้ดูและวิเคราะห์เหตุผลมาให้ฟังเท่านั้น ส่วนตัวแท้ของเรื่องก็เข้าแนวเป็นอจินไตยคือคิดเองด้วยเหตุผลไม่ได้และเป็นเรื่องเหนือสามัญวิสัยอยู่นั่นเองถึงจะพยายามพิสูจน์แสดงหลักฐานกันไปเพียงไรสำหรับคนสามัญก็คงอยู่ในขั้นศรัทธาหรือความเชื่ออยู่นั่นเองจะแตกต่างกันก็เพียงจากไม่เชื่อมาเป็นเชื่อและเชื่อน้อยเชื่อมาก และในเมื่ อ, อยังเป็นเรื่องของความเชื่อก็จะยังมีผู้ไม่เชื่อและยังมีโอกาสแห่งความคลางแคลงลังเลหรือความสงสัยไม่แน่ใจในผู้ที่เชื่ออยู่ได้ต่อไปถึงคนที่ไม่เชื่อก็เช่นกันก็ได้เพียงคันเชื่อคือเชื่อว่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยังไม่รู้ประจักษ์เหมือนกันจึงยังมีช่องว่างที่จะระแวงสงสัยต่อไป จนกว่าจะสิ้นกังขาเมื่อได้เห็นธรรมประจักษ์แจ้งเป็นโสดาบันรวมความว่าการที่จะพยายามชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานพยานให้คนเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดและให้เชื่อกันมากขึ้นก็มีผลดีอยู่ใครทำก็ทำไปถ้าความพยายามนั้น ไม่กระทบกระเทือนเสียหายต่อหลักการสำคัญข้ออื่นๆของพระพุทธศาสนาเช่นไม่ทำให้กลายเป็นผู้ที่ต้องหวังพึ่งอำนาจภายนอกหรือสิ่งเร้นลับมากขึ้นเป็นต้นแต่การที่จะให้การประพฤติ ธ, ธรรมหรือการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาต้องขึ้นต่อการพิสูจน์เรื่องนี้ย่อมเป็นการไม่สมควรและไม่ถูกต้อง